จายังมีข้อความหนึ่งที่เราสาธยายเป็นประจำเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วที่เป็นฉชนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยคือกายกับใจเนี่ยมันพร่องมันไม่เคยสมบูรณ์เลยใความพร่องความไม่สมบูรณ์มันก็ทำให้ เกิดความขัดอกขัดใจไม่รู้สึกถูกใจอาจจะถูกใจจะพอใจเป็นครั้งคราวแต่แล้วนะมันก็แปรเปลี่ยนไปอันนี้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราคือกายกับใจแต่รวมถึงทุกอย่างนะที่อยู่รอบตัวเรารวมทั้งสิ่งที่เราต้องเจอด้วยในวันข้างหน้ามันก็มีความพร่องความไม่สมบูรณ ความพร่องความไม่สมบูรณ์มันก็แสดงออกมานอกจากาไม่ถูกใจเราหรือทําให้เรารู้สึกขัดอกขัดใจแล้วที่แสดงออกมาคือความเสื่อมความสลายไปไอ้ความพร่องความไม่สมบูรณ์นี่แหละนะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของความทุกข์นะเวลาพูดว่าโลกเนี่ยพระเจ้าแต่ว่าโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ย คำ ว, ว่าโลนนี่ก็รวมทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะสิ่งไม่มีชีวิตมันก็ทุกข์นะแต่ไม่ใช่ทุกข์ในความหมายที่ว่ารู้สึกทุกข์แต่หมายความว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์มันมีความขัดแย้งบีบคั้นอยู่ภายในซึ่งก็จะรอที่จะแสดงอาการมาเป็นความเสื่อมความสลายอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นว่า โอ้ยมันมีข้อติข้อตาหนิมีข้อบกพร่องเยอะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่กับตาว่ามันไม่สมบูรณ์นะมันไม่ดีแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็ไอความพร่องความไม่สมบูรณ์ก็ปรากฏตอนแรกจะไม่เห็นแต่อยู่ไปก็เห็นมีนัก ทำภาพยนตร์คนหนึ่งผู้กกับชื่อดังนะเป็นเอกรัตนเรืองเนี่ยนังหลายเรื่องกอ็ได้ทั้งกล่องนะได้ทั้งเงินมีคนชื่นชมเยอะแกเคยพูดว่าเนี่ยพูดถึงหนังบางเรื่องเนี่ยว่าทำเสร็จแล้วสึกพอใจมากเลยมันดีมันเยี่ยมยิ่งมีคนชมแล้วนี่ก็ยิ่งรู้สึกใจโฟนะ แต่พอเวลาผ่านไปยกสามสีป่ปีหรือบางทีแค่หนึ่งปีนั่นแหละก็เฮลวโอมันมีข้อตำหนิเยอะเลยมันมีข้อติข้อแก้ไขไอ้ใจที่ฟูมก็เก็เริ่มแฟบลงภาพว่าที่สวยงามที่ใครคิดว่ามันสวยที่สุดแล้วนะมันก็ยังมีข้อตำหนนะิอันนี้เรียกว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันถูกใจเราเป็นหมดอันนี้ก็รวมถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบนะหรือสิ่งที่เราทำด้วยงานที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่เคยมีงานไหนที่สมบูรณ์แบบแม้เราจะรู้ซ่วงงานเนี่ยดีแล้วนะแต่มันก็มีความพร่องอยู่เพียงแต่เราอาจจะไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นพอคนอื่นชี้เราก็เลยทุก อันนี้เพราะเราวางใจไม่เป็นในเมื่อโลกนี้มันเต็มไปได้วยความพร่องความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยในด้านหนึ่งเราก็ต้องพยายามนะพยายามที่จะกระทำเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหรือเพื่อไม่ให้ความพร่องความไม่สมบูรณ์แบบนี่มันเป็นปัญหาเช่นเราสร้างบ้านเราก็พยายามสร้างให้มันดีนะให้มีความมั่นคง เรามีทรัพสมบัตินะเราก็พยายามดูแลให้ดีมีรถก็ล้างนะทำนุบำรุงนะร่างกายเราเราก็พยายามเอาใจใส่เอากําลังกายกินอาหารสุขภาพพักผ่อนให้พอเพียงแต่ไม่ว่าจะทำยังไงนะยังไงเนี่ยมันก็มันก็เสื่อมมันก็ต้องแปรสภาพไป หรือกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเช่นบ้านเนี่ยในสุดมันก็ต้องนะหลังคารั่วท่อน้ำแตกผนังร้าวนะทรัพย์สมบัติที่เราพยายามดูแลมานะลดจนดูแลไงนะมันก็ต้องมีวันเสื่อมวันเสียไปบางทีก็มีคนขโมยไปสมบัติในบ้านเนี่ยเราพยายามรักษา ติดกล้องวงจรปิดมีกำแพงแน่นหนาแต่แม้กันนั้นเนี่ยมันก็ยังมีโจรหรือขโมยเข้าไปในบ้านบางทีขโมยไม่ได้เข้าไปนะแต่ว่าคนในบ้านออกไปเอาไปขายนะบางทีเขาเล่นติดการพ น, นันติดยาเขาก็ไปขายหรือบางทีมันก็สูญหายในลักษณะอื่นเช่นหุ้นตกนะทรัพย์สมบัติก็เลย ลดน้อยถอยลงนะเมื่อพิจารณานะจากค่าของหุ้นบางทีตกคั้วภาพไปสมบัติ้ายไปเป็นสิบเป็นร้อยล้านนยะเพียงเพราะค่าหุ้นมันตกเราพยายามทำอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะป้องกันความพร่องความไม่สมบูรณ์แบบนะ หรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วเราจะทำยังไงนะก็ต้องทำที่ใจของเรานะทำกิจ ด, ดูแลรักษาสุขภาพดีแล้วแต่มันก็ยังป่วยนะเราก็ต้องทำจิตแล้วนะก็คือยอมรับความจริงหรือว่ารู้จักปล่อยวางที่จริงไม่ต้องรอให้มีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นนะในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ถูกใจ เกิดขึ้นกับเราอยู่เรื่อยๆสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูเสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นในชีวิตประจาวันมันก็มีทั้งบวกและลบมีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ป้องกันไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือว่าเรารับมือกับมันนะอย่างถูกต้อง หรือว่าทําใจให้เป็นนะวางใจถูกนะมันเกิดขึ้นกับเราอ่ะเราวางใจได้ทําใจถูกแต่ถ้าหาว่าไม่ทําตรงนี้นะมันก็เกิดปัญหาตามมาบางทียืดยาวนักธุรกิจคนนึงเนี่ยแกเป็นคนที่เก่งได้รับเชิญให้ไปบรรยายในเรื่องต่างๆซึ่งบางทีก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับาการจัดเวทการจัดสรรเวลารับเชิญไปพูดในที่ต่างๆมากมายเรียกว่าเป็นวิทยากรระดับชาติเลยแต่ก่เป็นคนที่ไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องการแต่งกายทุกเช้าวเวลาไปทํางานเนี่ยก็จะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องการหวีผมเท่าไหร่ภรรยาทุกทุกเช้าก็จะทักท้วงเตือนว่าให้หวีผมให้ดีๆ ก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนะี่ยแกจะไปทำงานนะแต่เช้าเลยวีผมไม่เรียบร้อยภรรยาก็ทักนะว่านี่เธอวีผมไม่ดีๆหน่อยโรก็ฉุนขึ้นมาเลยนะพูดขึ้นมาเลยว่าพูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงรู้ไหมเนี่ยฉันเป็นวิทยากรระดับชาตินะมาพูดอย่างนี้ได้เหรออ่าคราวนี้ก็เลยเกิดปากเสียงกันเลยนะทะเลาะ ก, กัน นะระหว่างสามีภรรยาลูกก็นั่งทําตาปิดๆทะเลาะกันอยู่นานจนกระทั่งนึกขึ้นมาได้ว่ามันเลยเวลาที่จะต้องขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วและต้องไปทํา ง, งานแล้วก็เลยรีบนะขึ้นไปเก็บเอกสารนะแล้วก็รีบลงมาขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนกรุงเทพเนี่ยนะถ้ามันออก ออกช้าสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยมันก็มีผลมากนะเพราะว่าทําให้ถึงที่หมายช้าอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือบางทีเป็นชั่วโมงเลยก็ได้เพราะว่าไปส่งลูกช้าลูกก็ถูกครูทําโทษเพราะโรงเรียนที่กดขันมารตรงเวลาตัวเองเนี่ยก็ไปที่ทํางานช้าวันนั้นเนี่ยมันมีงานสําคัญจนะมีประชุมกับลูกค้า เจ้านายก็ถึงกับมารอพอตัวเองไปสายเนี่ยเจ้านายก็พูดตหนิตัวเองก็อารมณ์เสียนะตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงที่ทำงานมาประชมุมาะกว่าเอกสารสำคัญลืมเอามานะเพราะว่ารีบไงตอนที่ไปเก็บเอกสารที่ ที่ทำงานแอนอาทิตในห้องนอนอ่ะเอกสารสำคัญลืมประชุมไม่ได้นะตกลงกับลูกค้าไม่ได้กลายเป็นว่าประชุมล่มเจ้านายก็ยิ่งต่อว่าเช้าวันนั้นก็เลยอารมณ์เสียนะตกมาถึงบ่ายก็งุดหหิดทำงานก็ทำงานไม่ค่อยได้เพื่อนก็ไม่รู้นะเนื่องจากว่าคุ้นเคยกันก็เลยมาแซว แต่ตัวตอนนี้ตัวเองไม่มีอารมณ์แล้วก็เลยด่าเพื่อนกลับทะเลาะ ก, กันเลยทะเลาะ ก, กันนะบ่ายนั้นก็เลยเป็นว่าไม่ได้งานแถมเสือเพื่อนด้วยขับรถกลับบ้านด้วยความที่หงุดหงิดนะตั้งแต่เช้าจนบ่ายด้วยความหงุดหงิดนะมันก็เลยเกิดการเฉียวชนกลางทางต้องรอประกัน กว่าประกันจะมาก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงนะถึงบ้านก็ค่หลูกก็รอเมียก็รอพอเห็นหน้าเมียเมียทักมียโทร่าทำไมถึงมาช้าปัวก็ตอบว่าเมียทันทีเป็นเพราะเธอนั่นแหละนะนะมาตำหนิชั้น เ, นเรื่องหวีผมเทนะ่าลอกกันอีกรอบหนึ่งนะเป็นนั้นว่าวันนั้นเนี่ยนะ ทั้งเชาทาั้งทั้งเย็นเนี่ยอาหารมันไม่มีรสชาติเลยนะลูกก็แย่เลยนะวันนั้นทุกคนกลับไปนอนเข้านอนด้วยความรู้สึกแย่นะลูกก็แย่นะสามีก็แย่ภรรยาก็แย่ในถ้าเรามองดูดีเนี่ยสำหรับนักธุรกิจคนนี้เนี่ยนะวันนั้นเนี่ย เป็นวันที่เรียกววันสวยทั้งวันเลยแต่ถ้าเราดูดีๆนะมันเริ่มต้นมาจากจุดเดียวนะเริ่มต้นมาจกจุดที่ว่าภรรยานนะทักสามีว่าหีผลไม่เรียบร้อยและจากจุดนั้นแล้วนะมันก็นำไปสู่ปัญหานะสู่เหตุต่างๆที่ไม่ถูกใจเนี่ยตามติดกันเป็นลูกโซ่เลย หลายคนเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์ทำนองนี้นะคือว่าวันนั้นสวยทั้งวันเลยแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศไม่ใช่เป็นเรื่องของดวงดาวนะไม่ใช่เป็นเรื่องของวันชงอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องเพราะว่ า, วามันเกิดขึ้นจากจุดจุดหนึ่งนะแล้วก็ก่อปัญหายาวเหยียดตามมาสชายผู้นี้เนี่ยแกคิดว่าไอ้ความสวยวันนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่ ภรรยานะมาทักเขาเนี่ยปัญหาหรือตัวการคือตรงนี้แหละนะในความรู้สึกของเขาถ้าภรรยาไม่พูดไม่ทักนะมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเนี่ยแต่ถ้าดูดีๆนะภรรยาทักเนี่ยว่าเนี่ยวีผมไม่เรียบร้อยีผมให้เรียบร้อยสิถ้าเขามีสตินะแทนที่จะเป็นนึกว่าเนี่ยกูเป็นวิทยากรระดับชาติมาพูดกูอย่างนี้ได้ยังไง นะเขาแค่พระมิสติรู้ทันความคิดนี้แล้วก็ไม่พูดออกไปนะเขาไม่อโต้กลับภรรยาแล้วก็จะรู้สึกขอบคุณนะเออขอบคุณนะที่ช่วยทักฉันนะที่ภรรยาทักพ่อห่วงเพราะปรารถนาดีเล้วาไม่ด่าไปนะวันนั้นเนี่ย เช้าวันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงเวลาไปทํางานเขาก็ไปเก็บเอกสารเนื่องจากเขาไม่รีบร้อนไม่หลนเขาก็เลยสามารถจะเก็บเอกสารได้ครบถ้วนแล้วก็พาลูกไปส่งที่โรงเรียนได้ทันเวลาเพราะออกตามกําหนดรถก็ไม่ติดนะส่งลูกไปโรงเรียนได้ทันตัวเขาเองก็ไปทํางานได้ทันเวลา กว่าเจ้านายจะมาเห็นเขาก็เขาก็อยู่ในห้องประชุมแล้วถึงเวลาประชุมเสนอแผนงานเขาก็มีเอกสารครบให้ลูกค้านะดิลราคาเป็นสิบล้านร้อยล้านนะก็สามารถจะตกลงกันได้ได้วย ด, ดีเจ้านายก็ชมเขาวันนั้นเขาก็มีความสุขตอนบ่ายไปทํางานนะเขาก็ทํางานได้ราบรื่นนะเพื่อนมาทักเพื่อนมาแซวเขาก็แซวกับ ก็เฮฮากันไปถึงเวลาเลิกงานเขาก็ขับรถกลับบ้านเนื่องจากเขาไม่หงุดหงิดนะมันก็ไม่มีเหตุการณ์เฉี่ยวชนเขาถึงบ้านตรงเวลานะเจอลูกเจอเมียต่างคนต่างก็ยิ้มให้ก็ก็ทักทายถึงเวลากินข้าวกินข้าวกันได้อย่างสนุกสนานราบเรือนมีความสุขพ่อแม่ลูกนะมาเจอกันพร้อมหน้าก็มีความสุขถึงเวลา้านน็นอนก็นอนก็ยังมีความสุข แล้วถ้าเรามองนะสองเหตุการณ์เนี่ยนะสองสองฉากเนี่ยมันต่างกันมากนะฉากหนึ่งคือวันสวยอีกฉากหนึ่งเนี่ยก็คือวันที่ราบรื่นมันต่างกันตรงไหนนะมันต่างกันตรงที่ว่าเนี่ยไอตอนที่นักธุรกิจคนนี้ถูกภรรยาทักเนี่ยหรือทวงเนี่ยเจ้าเขาไม่มีสตินะก็ด่าไปโต้ไปเนี่ยวันนั้นก็คือวันสวยทั้งวันแต่ถ้าเขามีสตินะ มันนั่นก็คือวันดีของเขานแะล้วลองดูนะเวลาเราเจอวันสวยเนี่ยนะเราลองดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะคนพูดไม่ดีกับเราตอนเช้าหรือเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกคนเนี่ยจะพูดดีกับเราเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมได้บางทีเขาก็พูดไม่ดีกับเราบางทีเขาก็ทักกระทวงเราอันนี้ก็สิ่งที่เราห้ามไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือนะรับมือกับเสียงที่มากระทบหรือคำพูดนะที่เราได้ยินเนี่ยยังมีสติอย่างถูกต้องนะถ้าเรารับมือกับมันดนะีปฏิบัติกับมันถูกนอกจากจะไม่เกิดความทุกข์ในตอนนั้นแล้วเนี่ยมันก็ จ, จะส่งผลให้วันนั้นทั้งวันกลายเป็นวันดี เป็นมันที่ราบรื่นได้ถ้าจะาเพื่อท้าเคยพูดว่าความสุขและความทุกเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดกับสิ่งที่เรียกว่าผัสส ะ, ะท่านบอกว่าความสุขความทุก ม, ม, มันไม่อยู่ที่ผลของกรรมแนอดีตชาติหรือผลกรรมแต่ปางก่อน คนมักคิดแบบนี้นะว่าความสุขหรือความทุกข์เนี่ยนะมาอยู่ที่ผลกรรมในปางก่อนหรือสมัยนี้ไอคิดว่าเป็นเพราะอยู่ที่ว่าใครทำดีกับเราไหมหรืออยู่ที่ว่ามีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าถ้ามีเหตุการณ์ดีเราก็สุขถ้ามีเหตุการณ์ไม่ดีเราก็ทุกข์นะแต่ไม่ใช่เลยนะมันอยู่ที่ว่าเรากระทาถูกหรือกระทาผิดนะต่อสิ่งที่เราผัสสะภัสสะก็หมายถึงว่า มีการกระทบกันนะเช่นตากระทบรูปหูได้ยินเสียงนะหรือว่าหูกระทบหรือว่าเสียงกระทบหูเรารูปภาพข้อความกระทบตาเราอันนี้รวมนึงเหตุการณ์ด้วยนะแม้จะเป็นเสียงที่ไม่ดีนะเช่นเสียงตำหนีเสียงทักท้วงแต่เราถ้าเราทาถูกต่อเสียงนั้นพอได้ยินแล้วก็มีสติรู้ทันอารมณ์ ไอตัวอัตตาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานะเวลานักธุรกิจคนนั้นได้รับคําชมว่าเป็นวิทยากรที่เก่งระดับชาติเนี่ยอันนี้เป็นคําสรรเสริญมันก็ทําให้ตัวกูนี่ฟูฟ่องแล้วก็ไปไปสําคัญบรรหมายว่ากูเป็นวิทยากรระดับชาติสวมหัวโขนนั่นเอาไว้แม้กระทั่งอยู่บ้านก็ยังไม่วางหัวโขนนั้นอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่วิทยากรระดับชาติแล้วอยู่บ้านก็เป็นผัวหรือสามี ภรยาทักไอ้สามีนี่ไม่วางหัวโขนเลยนะก็โกรธเลคนเราบางครั้งเนี่ยนะมันโกรธกันเพราะว่าเรามันติดในหัวโขนไม่รู้จักวางแต่ถ้าวางแล้วก็คิดว่าเราเป็นเราเป็นสามีเออภรรยาท้วงนี่มันธรรมดาขอบคุณนะที่ห่วงใยนะเนี่ยด้วมีสติรู้ไม่โกรธรู้ทันอัตตาที่มันฟูฟ่องชูคอชูหัวขึ้นมา ก็ไม่เกิดการทะเลาะเบาแววงกันนะสิ่งที่เราผัสสะเนี่ยนะอย่างที่บอกนะมันเราควบคุมไม่ได้ว่าจะมีอะไรบวกหรืออะไรลบมากร ะ, กระทบเราหรือเกิดขึ้นกับเราแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเลือกว่าจะปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดในเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยนะ มันมีทุกจุดเลยนะ้าที่เราสามารถจะเลือกได้ว่าจะปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดนะเช่นพอเสียงภรรยาทักท้วงนะมากระทบหนะูถ้าเราปฏิบัติถูกนะก็มีสติไม่โกรธแต่ถึงแม้ว่าปฏิบัติผิดไปแล้วโกรธไปแล้วนะทำให้ออกจากบ้านช้าระหว่างที่รถติดนะก็มีสติไม่หงุดหงิด ไปส่งลูกสายเอา้าไม่เป็นไรเนะเราก็พยายามแก้กตัวใหม่ไปเจอไปถึงที่ทำงานช้าเนะเจ้านายก็ทำตาดุนะแต่เราก็นะขอโทษขอโพยแล้วก็ไปประชุมอาจจะประชุมล้มเหลวเพราะว่าลืมเอกสารมาแต่ว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยก็พยายามตั้งสติให้ดี มีสมาธิกับงานนะเพื่อนมาเซวก็ไม่โกรธเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะถูกลดเฉียวไปเฉี่ยวชนรถคันอื่นขากลับมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่หงุดหงิดกลับไปถึงบ้านก็ไม่ต้องทะเลาะ ก, กับเมียนะแล้วก็ลูกก็ไม่รู้สึกแย่คือทุกเหตุการณ์เนี่ยมันมีมันมีทางเลือกว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันไม่จำเป็นจะต้อ ง, องอะระเนรานาดกลายเป็นแบบโดมิโนโหรือเป็นลูกโซ่นะคนเราเนี่ยแม้จะเจอสิ่งที่ไม่ดีนะหรือสิ่งที่เป็นลบแต่ถา้าปฏิบัติถูกนะมันก็เกิดผลดีนะในสาพุตการเนี่ยนะมีภาพรูปหนึ่งนะก็กำลังเดินบิฏบาจูกๆก็เดียนเสียง ผู้หญิงร้องเพลงนะเป็นนางทาสีในบ้านของเศรษฐินีเนะี่ยกำลังร้องเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิตถ้าเป็นบ้านเราก็แค่ว่ามันบ่อน่าดอกนายนะเป็นเพลงลูกทุ่งอนะ่ะท่านฟังนะแลนะพิจารณาตามนะบรรลุธรรมเลยนะเป็นพระอรหันต์นะปกติเวลาพระได้ฟังเสียงเพลงเนะี่ย ก็ถือว่าไม่ดีนะเสียงเพลงมากระทบหูพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ดีเป็นค่าสึกต่อพรหมจันทร์นะทำให้เกิดกิเลสเกิดราคะแต่ถ้าปฏิบัติถูกนะอ่ามันกลายเป็นของดีนะบรรลุธรรมได้อีกท่านหนึ่งท่านละกุลตาการพัทยาท่านเป็นพระตัวเล็กๆ เ, กเกตี้ยๆวันหนึ่งก็เดินบินธบัติก็มีรถมาเนี่ยล่นผ่านอัที่จริงล่นสวนมากกว่านะ ในนั่นก็มีหนุ่มเจ้าสําราญกําลังพานางคณิกาไปไปเที่ยวนางคณิกาก็แต่งตัวสวยเมื่อเห็นท่านลักุณตกาพัติยาเห็นท่านตัวเล็กๆ เ, ก เ, กเกตี้ยๆก็ยิ้มท่านลกักขณิกาพัติยาก็เห็นศบตากันแล้วก็เห็นรอยยิ้มของเธอปกติถ้ามีพัสดาแบบเนี้นะคนทั่วไปก็จะเกิดราคะ แต่ว่าท่านละกุณตะกัพัติยาณท่านมอแล้วก็เห็นว่ะโออันนี้คือบวงแห่งมาร น, นะที่มันล่อให้เราเนี่ยไปหลงติดอยู่ในกามติดอยู่ในวัฏฏสงสารท่านพิจารณาแล้วท่านก็เห็นโทษของการปัญญาเกิดนะว่าเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านบรรลุธรรมเป็นพระอนาคา ม, มีเลยนะกลางถนนเนี่ยทั้งที่เห็นบรรลุธรรมเพราะเห็นรอยยิ้มของหญิงสาว อันนี้เราปฏิบัติถูกนะต่อผัสสะก็คือว่ามองเป็นนะถ้าปฏิบัติผิดนะก็เกิดทุกข์เกิดราคะเกิดความรุ่มร้อนบางทีอาจจะถึงขั้นอยากสึกแต่ถ้าปฏิบัติถูกนะมันกลายเป็นของดี้าไม่เกิดปัญญาเราไม่สามารถจะควบคุมผัสสะที่มากระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายเราได้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะวางใจถูก บางทีถ้าเรามองเป็นเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันกลายเป็นของดีไปแม้ว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกครอบครัวก็ยากจนเรียนก็แค่มอสามเรียนมสามก็ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ค้าขายจากการขายหนังสือพิมพ์ขายลอตเตอรี่ตอนหลังก็พอมีกำลังก็ ขอยืมเงินอะขอยืมรถของลุงรถกระ บ, บะไปค้าขายเอาพวกเสื้อผ้าเอาพวกช้อนซ่อมของชายไปขายตามหมู่บ้านก็ให้เป็นรถเร่ย์ะนะก็ขายไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่พยายามเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนของสินเปลี่ยนสินค้ามาหลายอย่างไปขายตามหมู่บ้านก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่แกก็ไม่ทอนนะวันหนึ่งเนี่ยก็ ไปขายถั่วพิสนุโลกก็ถือโอกาสไปกราบนะพระพุทธชิ น, นราชแล้วขอพรแลขอให้มีโชคนะประสบความสำเในการค้าขายกราบเสร็จก็มานั่งพักนะนะอยู่แถวทถานั้นแหละระหว่างที่นั่งพักก็เห็นรถสารเลงขับผ่านมาแล้วเขาก็มาหยุดตรงนั้นพอดีก็เลยเกิดความคิดนะ ยิ่งได้คุยกับซาเล้งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาสามารถจะหาเงินส่งเสียลูกไปเรียนถึงหมหาวิทยลาลัยได้เขาเกิดไอเดียขึ้นมาเลยเอ้ยทำไมเราไม่ขายพวกขยะพวกของที่มันทิ้งแล้วอ่ะขายเสื้อผ้าขายอะไรก็ไม่เจริญนะลองขายพวกขยะพวกของเก่าดูแล้วปกว่าแกก็ทำตามที่คิดนะในสุดนี้ก็ประสบความสำเร็จนะ ร้านขายของเก่าขยะนี่มีสาขาทั่วประเทศนี่เป็นร้อยเลยนะรวมทั้งมีโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่สุดในเอเชียคันเน่วงพานนิดน่ะนะวงพานนิดเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีเลยนะจากการที่เห็นรถขยะรถขยะสหรับบางคนก็มันไม่มีอะไรแต่บางคนพอมองแล้วเ อ, อมันได้ไอเดียอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติถูกต่อผัสสะนะ คือเห็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ปล่อยไปเปล่ๆก็เอามาพิจารณาเกิดความคิดเกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆไม่ใช่เพาะเรื่องการทำมากินนะในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างที่พูดนะเราสามารถจะเรียนทำหรือว่าฝึกฝนตดได้เนี่ยจากผรรษะเนี่ยนะได้มากมายพรรษะแต่ละอย่างที่มากระทบเนี่ยนะมันเป็นการบ้าน ที่ฝึกสติแล้วก็สร้างปัญญาให้กับเราเรียกว่าได้ตลอดเวลาเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราคิดถึงแต่เพียงว่ามาเข้าคอร์สนะมันก็ทําได้แค่จํากัดนะเพราะว่าปีหนึ่งจะมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็แค่สี่ห้าวันเจ็ดวันนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราสามารถจะปฏิบัติธรรมได้จากพัฒนะที่มากระทบนะก็คือฝึกปฏิบัติถูกกับมัน อันนั้นแล้วก็เรียกว่าเราสามารถจะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาเพราะผัสสะมันเกิดขึ้นได้ทั้งวันการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะทําให้เรารับมือกับผัสสะได้อย่างถูกต้องหรือพูดอย่างภาษาชาวพุทธคือกระทําถูกต้องนะกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเวลามันเกิดมีการกระทบขึ้นทางตาทางหูเนี่ยใจกระเพื่อมไหมใจขึ้นใจลงใจฟูใจแฟบไหม หัดมาตามดูรู้อาการของใจนะที่มันเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบนั่นแหละปฏิบัติแล้วนะถ้าหากว่าใจมันเป็นลบอก็ทำให้มันเป็นปกติถ้าอากใจมันเป็นบวกฟูขึ้นมาก็ดูมันเฉยเฉยเดี๋ยวมันกลับเป็นปกติอย่างเด็กคนที่เขาดีใจนะเมื่อพระาจารย์ประสงค์เนี่ยจะให้รูปประคัมภ์เขา เขาเห็นความดีใจหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะอันเนี้ยปฏิบัติแล้วเมื่อมีความดีใจเกิดขึ้นเห็นมันนะอันนี้เรียกว่ากระทาถูกต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะและนี่คือการปฏิบัตินะปฏิบัตินะเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วใจเป็นอย่างไร เมื่อกายกระทบกับของแหลมมีความปวดเกิดขึ้นใจมันเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่ามีสติไว้ก็มาดูเวทนาดูความปวดดูอย่างไรไม่ยึดมันส่วนใหญ่พอปวดแล้วเนี่ยใจมันก็ไปยึดแทนที่กายปวดอย่างเดียวกูก็ปวดด้วยใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมานะนะงั้นการปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ย มันสามารถทําได้ตลอดเวลานะกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะอย่าไปคิดว่าอยฉันไม่มีเวลาภาวนาหรอกฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรอกอันนี้ไม่จริงนะแต่ใดที่เรายังมีเวลาเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่เจอนั่นเจอนี่เราปฏิบัติได้แล้วเพราะ เราจะปฏิบัติไม่ได้เวลาหลับนะแต่เวลาตื่นเนี่ยเราเจอนั่นเจอนี่เห็นนั่นเห็นนี่ตลอดเวลาก็มาดูใจสิดูใจเป็นอย่างไรนะอันนี้แหละที่ลองไปพิจารณาดูนะเห็นใจคิดนึดเห็นใจคิดคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะแต่ที่จริงเราท่องวันนี้เราไม่ได้มีแค่ผัสสะนะเรามีการทำนั่นทำนี่ไปด้วยทำด้วยกายเช่นล้างหน้าถูฟัน อาบน้ำกินข้าวเดินก็ปฏิบัติได้เหมือนกันไม่มีเวลาภาวนาแล้วมีเวลาอาบน้ําไม่มีเวลาล้างหน้าไหมมีเวลากินข้าวไหมนั่นแหละคือเวลาปฏิบัติมันก็มีหลัก ง, ง่ายๆว่านะเห็นกายเคลื่อนไหวนะเมื่อทํากิจนะรู้ใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะทำสองอย่างเนี่ยพอละ เมื่อทํากิจใดๆก็เห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อเกิดพัสสะใดๆก็รู้ใจคิดนึกทําได้ทั้งวันแล้วนะนะเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนึกคิดนึกเมื่อเกิดพัสสะก็ฝากเอาไว้นะอะสำหรับชาวนี้กราบครับ